เทศอบรมในคืนวันที่16พฤษภาคมพศ2510ณวัดป่าบ้านตาด จ, จังหวัดอุดรธานีโดยพระอาจารย์มหาบัวยานสัมปันโนางานตรนเปลี่ยน ท, ที่สนัิเนุนเพื่อการมเพ็นตนด้วยความสะดวกทางด้านติดใจนั่น ีเยี่ยงอย่างมาแต่ อ, องค์สมเด็จพระภูมิคมุ้มภาคแล้วไม่ทรงดลักะรงสั่งสอนสาวกแล้วของเปิดโอกาสให้สอบแสวงหาที่เหมาะสมสำหรับการบาเพ็ญเพียรทางด้านใจของตนเมื่อมีข้อข้องใจ ขึ้นมาแกโยคาวจรนั้นๆก็เข้ามาถึงสามองค์ชั้เด็กเพื่อรือมีพระผากจากท่านทรงที้แจงแสดงให้เห็นเหตุผลได้รับความเข้าใจแล้วก็สอบหาที่สหานที่เรความเป็นตนตามเคยนี่เป็นประเพณีของนัก บ, บวชที่ สืบเนื่องมาจากพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะซึ่งพระองค์เป็นตัวอย่างเรียกว่าเป็นบุคคลตัวอย่างในการบำเพ็ญเป็นลำดับมาจากนั้นก็สาวกดำเนินตามพระพุทธเจ้าแล้วสืบเนื่องมาเป็นลำดับจนถึงสมัยปัจจุบันนี้ หากว่าเราผูเป็นนักบวชและเป็นนักปฏิบัติด้วยเป็นผู้สนใจใคร่ต่อการดำเนินตามขนบประเพณีอันดีงามของพระพุทธเจ้าที่พาดำเนินมาแล้วคำว่าศาสนาเจริญรุ่งเรืองนั้นเราจะไม่ต้องไปถามที่ไหนว่าเจริญอยู่ที่ใดเมืองใดเพราะความเดือดร้อนวุ่นวาย ซึ่งเป็นความไม่สงบ ก, ก่อเรื่องก่อราวใส่ตัวของเราอยู่ทุกวันนั้นปรากฏขึ้นกับใจโดยเฉพาะไม่มีที่อื่นเป็นสาเหตุที่เกิดขึ้นฉะนั้นศาสนาธรรมคำส อ, สอนของพระพุเทธเจา้าจึงชี้ลงในจุดที่มีเหตุจะระงับกันที่นั่นการสแสวงหาที่บำเพ็ญที่เรียกว่าชัยสมรภูอันเป็นไปเพื่อความสะดวก จากการปฏิบัติเพื่อจะถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกใจใจนั้นจึงเป็นเรื่องของเราทุกท่านจะต้องสนใจและสิ่งที่เป็นข้าศึกภายในใจก็จะค่อยหมดไปด้วยการกำจัดโดยวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนและพาดำเนินมาเมื่อสิ่งที่ปกปิดกำบังหรือเป็นข้าศึกต่อจิตใจได้ค่อย หายจางเป็นลําดับลำดับแล้วเรื่องความเจริญของใจนั้นจะไม่ต้องไปหาที่คงไหนและคําว่าความเจริญของพระศาสนาจะปรากฏขึ้นที่ท่าน ป, ปฏิบัติโดยถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่พาดําเนินนี่เป็นหลักฐานยืนยันหรือเป็นหลักฐานที่รับรองแห่งความเจริญของพระศาสนาไม่มีที่อื่นเป็นที่เจริญนอกจากผู้จะบําเพ็ญตนให้ ถูกต้องตามร่องรอยของพระศาสดาที่สอนไว้เท่านั้นจะเป็นผู้เจริญรุง่งเรืองขอให้ทุกท่านจงทำความเข้าใจไว้ว่าศาสนาเสื่อมนั้นเสื่อมอยู่ที่ที่ใดแน่และเจริญอยู่ที่ตรงไหนแน่ความเห็นของเรามักจะเห็นว่าเจริญอยู่ที่ประเทศโน้นประเทศนี้ที่โน้นที่นี้และเสื่อมอยู่ที่โน้นที่นี้อะ่ะ ที่ไหนก็คือเรื่องของคนเป็นผู้ทำศาสนาให้เจริญได้เสื่อมหรือพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นผู้ก่ อ, อกความไม่สะดวกหรือก่ อ, อกความเสียหายแก่ตนและก่ อ, อกความเจริญให้แก่ตนคำว่าศาสนานั้นจึงอยู่ในจุดเดียวกันเราได้ยินแต่ ศาสนาในครั้งพุทธกาลเจริญรุ่งเรืองแต่เราไม่คำนึงถึงวิธีการที่ท่านดําเนินท่านดําเนินอย่างไรบ้างศาสนาจึงเจริญรุ่งเรืองมาบัดนี้เราดำเนิญอย่างไรศาสนาภายในใจของเราจึงไม่เจริญนอกจากมีแต่กิเลสตันหะอาสวะซึ่งเป็นค่าสิทธิเท่านั้นเป็นผู้เจริญทับถมจิตใจของเราจนกลายเป็นของไม่มีคุณค่าภายในตนเลย มองเห็นอะไรก็มีสาระสําคัญชื่อว่าเป็นความดีแล้วแต่จะมองเห็นแต่สิ่งที่เคยชินมาซึ่งเป็นเครื่องฉุดลากลงไปแม้จะเร็วซามแักแค่ไหนก็าตามจะถือว่าเป็นของดีเสมอไปนี่เป็นนิสัยของคนเราที่มีกิเลสเป็นเครื่องฉุดลากและยอมจํานวนทุกระยะเป็นอย่างนี้ตลอดมาไม่ว่าท่านหรือเราหลักฐาสนธรรมนั้นเป็นเครื่องฉุดลากจิตใจให้ฟื้น สิ่งที่เป็นค่าสึดทั้งๆ ท, ที่ใจของเราชอบให้ออกจากนั้นมาเป็นลำนับมีชอวาการบาเพ็ญตนเองเราบาเพ็ญศาสนาเราจะบาเพ็ญที่ไหนวิธีใดที่เป็นทางที่ถูกต้องนอกจากจะมากําจัดดัดแปลงตนเองในสิ่งที่เห็นว่าไม่ควรแก้ไขดัดแปลงเสมอไปไม่โดยไม่ถือว่าเป็นความยากความลำบากแต่อย่างใดเพราะกิจจำเป็นหรือทางเดินอยู่ที่นี่ เช่นเดียวกับสายทางเราเดินจะไปจากจุดนี้สู่จุดโน้นทางนี้จะลำบากยากเย็นเข็นใจเท่าไหร่ก็จะต้องเดินไปตามทางสายนี้เพราะเป็นจุดหรือเป็นสายทางที่ถูกต้องเราจะเลือกทางเดินไปไม่ได้จะแดดจะฝนทางขุขระกันดานหรือทางราบลื่นก็จาเป็นสำหรับผู้เดินทางจะต้องผ่านไปเช่นเดียวกันจะเลือกเส้นหรือหยุด ยังไปไม่ได้หยุดก็ไม่ถึงเลือกก็ไม่ได้แดดออกก็กยอมรับฝนตกก็ยอมรับทางคุกคัก็ยอมเลยทางสะดวกก็เช่นเดียวกันมีจุดประสงค์ที่จะเดิก้าวเดินให้ถึงจุดหมายปลายทางเท่านั้นนี่สาหรับผู้เดินทางมีเข็มทิศมุ่งไว้อย่างนี้ผู้เดินทาง เพื่อสันที่สุขภายในจิตใจของตนก็ย่อมถือเป็นคติเช่นเดียวกันไม่เช่นนั้นจะไปไม่รอดวันนี้ไม่สะดวกไม่สบายเวลานี้ถาดขันไม่พร้อมการงานยุ่งเหยงิงง่วงเหงาเฮานอนถาดขันแปรปรวนอากาศไม่อำนวยเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่ตัดหนามกั้นทางตนเองสาหรับเดิน ให้เดินไปไม่ได้ทั้งนั้นมื้อวันปีเดือนก็คือมืดกับแจ้งเท่านั้นไม่มีอะไรจะมาเป็นมื้อวันปีเดือนนอกจากมืดกับแจ้งเท่านั้นนับกันและบวกกันเข้าก่ครับเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีเข้าไปออกจากมืดกับแจ้งอย่างนั้นไม่เคยไปก่อนเรื่องก่อราวใส่ผู้ใด ใครจะมีโอกาสไปทางไหนไม่มีโอกาสไปทางไหนจะมีโอกาสทำดีทำชั่วมื่อวันปีเดือนเป็นของมือสว่างอยู่ตลอดเวลาไม่เคยเปลี่ยนแปลงตนเองไปเป็นอื่นเราจะหาว่ามื้อวันปีเดือนนําเป็นค่าสิทต่อเราได้ที่ไหนแล้วคำว่าโอกาสก็เหมือนกันก็คือผู้ที่จะทำนี่แหละเป็นผู้มีโอกาสถ้าผู้นี้ไม่ทำก็ตลอดวันตายก็ไม่มีโอกาสที่จะวาการงานนั้นมีทั้งโลกทั้งธรรม เพราโลกนี้เกิดอยู่ในถ้ำกลางแห่งการงานเนื่องจากขาดแขนเป็นเครื่องบังคับไม่ทําไม่ได้ชาตนีฉันก็ต้องทําแต่เราไม่เรียกว่าเขาทํางานการที่เขาสอะแสวงหาอยู่หากินเลี้ยงปากเลี่ยงท้องเขาทั้งกลางวันกลางคืนสัตว์บางตัวก็บางประเภทเขี้ยวสอะแสวงหาอาหารในเวลากลางคืนสัตว์บางประเภทเขี้ย ว, ายวหาในกลางวันบางประเภทหาได้ทั้งกลางวันกลางคืน การส่อแสวงหาเรานี้เรียกว่าเป็นการงานด้วยกันเช่นเดียวกับมนุษย์เราแต่ไม่ให้ชื่อว่าเขาทํางานเท่านั้นความจริงแล้วเป็นเหมือนกันเราจะอยู่โลกไหนถึงจะมีไม่มีงานแต่เราจะเลือกเฟ้นเท่านั้นถ้าว่าเราจะเป็นผู้ฉล า, าดเพื่อจะแดัดแปลงตนเองการในเวลาใดควรจะแบ่งสู่แบ่งรับกันแค่ไหนหนักเบาแค่ไหนเป็นหน้าที่ของเราผู้ที่จะทําตนให้เจริญ ทังข้งงนอกขัางหนต้องเลือกเป็นและบาเพ็ญตนเองไปนี่เราเป็นผู้บวชในศาสนาเป็นผู้มีการเวลาอันว่างอยู่ตลอดเวลาไม่มีการใดจะเป็นการอื่นนอกจากการของพระเพราะเวลานี้เราเป็นพระด้วยกันเป็นเนนด้วยกันปฏิบัติในหลักธรรมบินัยของพระพุทธเจ้าโดยไม่มีการหลีกเบนหรือไม่ มีวักตอนนับตั้งแต่วันวับรรพชาประสมบทมาศีนสิบก็จะต้องมีมาตั้งแต่วันอุบัญบรรพชาศีล2องก็จะเริ่มมีมาตั้งแต่วันอุปสมบทและการบําเพ็ญธรรมหรือเพศของพระก็ต้องเป็นประจําเพศของเนนก็มีเป็นประจําขึ้นมาตั้งแต่วัน บ, นบนรรพชาประสมบทที่หน้าที่ของพระหน้าที่ ข, ข, ของเนนที่จะบําเพ็ญตนให้เป็นไปตามหน้าที่ของตนนั้นขาดบ้าขาดตอนเป็นลุ่มรุ่มดอนดอนสูงสูงต่ําๆไม่สม่ําเสมอ นี่เป็นความผิดของเราแล้วเราจะตำหนิว่าการเวลาไม่อำนวยที่ไหนนอกจากตัวของเราไม่อำนวยตัวเราใชเองก่อความขัดข้องยุ่งเหยิงใส่ตัวเองหาทางเดินไม่ได้หลักของพระพุทธเจ้าสอนไว้ทุกอย่างก็เพื่อจะป่าฝันอุปสรรคที่กีดขวางทางเดินของเราเท่านั้นไม่ใช่จะมาตัดน้นากั้นทางให้เราไปไม่ได้ไม่มี ขอาจข้อธรรมข้อใดที่จะมาตัดน้ํากั้นทางตนเองจนหาทางออกไปไม่ได้นอกจากจะเป็นสวัสาตธรรมที่ตรัสไว้ชอบและเป็นนิยานิกธรรมหรือถอนสิ่งที่เป็นขวากเป็นน้ําเป็นทุกข์เป็นภัยออกจากจิตใจเป็นลาดับให้เห็นความสุขความเจริญเป็นขั้นๆขึ้นไปเท่านั้นนี่เป็นพระโอวาทของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไม่ชอบและเป็นเครื่องนําออกจากทุกสําหรับผู้ปฏิบัติตามไม่เป็นอย่างอื่น เราได้มองดูตัวทุกระยะถ้าเป็นนักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์แล้วอย่ามองดูที่อื่นกองทุกข์ไม่มีอยู่ที่ไหนภูเขาทั้งลูกใจใหญ่โตละโหฐานหรือกว้างแคบแค่ไหนไม่ปรากฏว่ามีกองทุกข์อยู่ที่นั่นพราะที่จะไปเป็นเครื่องตังบนกับสิ่งเหล่านั้นแต่มันมีอยู่ในตัวของเรานี่อุปสรรคก็มีอยู่ที่นี่ความทุกข์ความไม่สะดวกกายไม่สบายใจก็มีอยู่ที่นี่ เพราะฉะนั้นศาสนาจึงต้องวางลงที่นี่เพื่อเป็นเครื่องแก้ไขขัดเกลากันไปหรือชะล้างกันไปให้สะอาดสิ่งเล่านั้นก็จะค่อยหมดไปหมดไปความสะดวกสบายก็จะมีขึ้นทั้งการบำเพ็ญทั้งความสุขที่ได้รับจากการบำเพ็ญของตนวันหนึ่งคืนหนึ่งผ่านไปผ่านไปถ้าพูดถึงเรื่องความมืดความสว่างผ่านไปผ่านไปนั้นไม่ได้ผ่านไปไหนมีมืดกับแจ้งหมุนไปเวียนมาอยู่เท่านี้ไม่นอกไปจากนี้ แต่ชีวิตลมหายใจของเราสังขารร่างกายที่ผ่านไปผ่านไปนั่นสิไม่มีวันจะกลับมาผ่านแต้วันเล็กปันน้อยสุขภาพลดลงลดลงลดลงชีวิตของเราลดไปทุกวันทุกวันความดีที่จะเป็นเครื่องตอบรับกันนั้นมีอะไรบ้างเราต้องคํานึงนักบวชไม่คำานึงไม่มีอะไรจะเป็นสาระแก่นสารสำนักนักบวชต้องประพฤติตนให้เป็นที่ยับยัง้งให้เป็นที่ยึดเหนียวของตนได้ หาที่ํำหนิ้ตนไม่ได้เราจะสอนคนอื่นก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยศาสนานี่เป็นตัวอย่างของโลกหรือเป็นแบบเป็นแนวทางชีวิตของโลกทูดำเนินทางโลกก็ต้องอาศัยหลักศาสนาเป็นเครื่องนำเนินยกตัวอย่างใกล้ๆก็คือฉันทะวิริยะจิตตะยี่มังสานี่เป็นทางเดินทั้งทางโลกและทางธรร ม, มทำการงานอันใด ใ, ให้มีฉันทะความพอใจในหน้าที่การงานของตน อย่าให้จืดจางถ้าจืดจางแล้วจิตใจจะท้อถอยการงานจะไม่สำเร็จและไม่ทำเต็มเม็ดเต็มหน่วยวิริยะให้มีความเพียรต่อหน้าที่การงานนั้นจนสำเร็จรุ่ร่วงไปไปได้ตามความประสงค์กิจตะอย่าทำจิตใจของตนให้เหินห่างจากหน้าที่การงานที่กำลังทำอยู่นั้นวิมังถาทำอะไรให้ไตรตรองอย่าเห็นแต่สักว่าทาเห็นแต่สักว่าพูดเห็นแต่สักว่าคิดขึ้นมาตามนิสัยของจิตที่เคยชอบคิด ต้อมีความไตรตรองดูความผิดถูกั่วดีในการทําการพูดการคิดของตนเสมอนี่ในอิทธิบาททั้งสีน่นี้โลกทหาวาคาดิทบาททั้งสีนี้แล้วจะเป็นโลกที่จเจริญรุ่งเรืองไปไม่น่นธรรมะก็เช่นเดียวกันเวลานี้เรามีเข็มทิศตั้งไว้กับธรรมอย่างไรบ้างแล้วเราควรจะนำธรรมทั้งสี่ประการนี้เข้าไปสนับสนุนบ้างหรือไม่ หรือเพียงอยู่ลําพังเราแล้วก็เห็นว่าสมควรถาหากว่าเห็นว่าสมควรผลประโยชน์ที่เราได้รับจากการจากคําว่าสมควรนั้นมีแค่ไหนถ้าหากไม่มีก็แสดงว่าเราบกพร่องในธรรมทั้งสี่ประเภทนี้คือฉันท้าวิริยอะอิตติยังมังสาโปรดน้อมเข้ามาพายในจิตใจให้ใกล้คิดสนิทกับตัวเองอยู่เสมออย่าให้ห่างไกลภูปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ต้องกําหนดดูทุเรงของตัวเองอยู่เสมอผิดพลาดอะไรเราอย่าไปตําหนิคนอื่น ให้ตาหนิความเคลื่อนไหวที่ผิดพลาดของตนเองเพราะผลเกิดขึ้นจากที่นี่ความผิดไม่เกิดจากที่นี่จะเกิดจากที่ไหนพอผลจะตามมาได้ผู้ปฏิบัติต้องโอปนญญีโกน้อมเข้ามาเสมอมองเห็นอะไรอยัดให้เป็นภัย่าเดียวให้พิจนนารณาให้เป็นคุณชื่อว่าผู้ไตรตรองนักปฏิบัติคือนักไตรตรองนักบวชคือนักพินิษพิจนนารณา ไม่เช่นนั้นจะสอนโลกให้ดีไม่ได้ตัวก็เป็นรุ่มรุมดอนๆสูงสูงต่ำๆทั้งข้อวัดปฏิบัติทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาได้แต่ชื่อแต่นามความจริงแห่งธรรมที่กล่าวเหล่านี้ไม่ปรากฏภายในตัวเลยแล้วเราจะเอาอะไราเป็นผลสำนับเป็นเครื่องพยุงจิตใจของเราและจะนำผลประโยชน์อะไรไปสอนโลกให้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นไปไม่ได้หาตัวยังตั้งตัวไม่ได้แล้ว การสอนเรานี่เป็นสิ่งสำคัญศาสนานท่านสอนบุคคลขอให้เจริญทางจิตใจได้ซึมซาบถึงธรรมะอย่างแน่นแฟน้นเรื่องหน้าที่การงานจะเป็นไปเพื่อความแน่นแฟ้นและมั่นคงเรียบร้อยทุกอย่างหากว่าธรรมะได้อย่างเข้าถึงใจผู้ประกอบการงานทั้งโลกก็เน่นหนามั่นคงทาอะไรเป็นชิ้นเป็นอัดหลักทำเป็นเครื่องสนับสนุนผู้บำเพ็ญทางธรรมะก็เหมือนกัน ศีนก็มีความบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาเพราะความระมัดระวังเป็นผู้รักใคร่ต่อศีลของตนไม่ยอมล่วงละเมิดแม้แต่ข้อหนึ่งข้อใดสงวนยิ่งกว่าชีวิตแม้จะตายก็ยอมสละเสียได้แต่ไม่ยอมให้ศีนขาดนี่คือนัก บ, บวชที่มีความใคร่ต่อหลักธรรมผู้งมายคือความใคร่ต่อความพ้นทุกข์ของตนเองเพอศีลเหล่านี้เป็นรั้ว ก, กั้นสําหรับไม่ สิ่งที่เป็นข้าศึกรั่วไหลเข้ามาทางกายทางมาจาตลอดถึงทางใจสมาธิก็เช่นเดียวกันสมาธิคือความสงบใจความสงบใจเป็นอย่างไรเราเคยสงบบ้างไหมเป็นอย่างไรมองดูจิตเวลาไหนมีแต่ความฟุ้งซ่านมีแต่ความวุ่นวายและบ่นกันทั่วโลกทั่วสงสารไม่ว่าพระวานิ้ไม่ว่านักบวชคารวัตไม่ว่าคนมีคนจนไม่ว่าคนอยู่ในฐานะไหนจะต้องตกอยู่ในความบน่น เพราะวิชาการบ่นนี้เกิดขึ้นมาจากตัวเองไม่ได้มองดูตัวเองพอที่จะแก้ไขส่วนบกพร่องแล้วจึงปรากฏเป็นทุกข์ขึ้นมาแล้วให้ได้บ่นอยู่ตลอดเวลาเราก็จะ ม, มาบ่นเราอยู่อย่างนี้จะเป็นประโยชน์ที่ไหนถ้าว่าการบ่นเป็นประโยชน์แล้วโลกนี้ไม่ต้องทำหน้าที่การงานอะไรเพราะต่างคนต่างมีปากต่างคนต่างพูดต่างคนต่างบ่นได้บ่นให้ได้ถึงไหนถึงกันไม่จาเป็นจะต้องมาอาศัย หลักธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องชี้แนวทางเพียงการบ่นก็สำเร็จได้แลงแต่นี่หาเป็นเช่นนั้นหม่เพราะฉะนั้นเราจึงควรดูจิตของเราความฟุ้งซ่านเป็นที่เราไม่ชอบใจจิตของเราไม่สงบนี่เป็นเหตุให้เราบน่นเหตุใดจึงไม่สงบกำหนดดูทานเหตุของจิตที่ไม่สงบก็เพราะว่าเปิดทางให้จิตเดินอยู่ตลอดเวลา จนหารัวไม่ได้ถ้าหวัวมีรั่วบ้างก็มีประตูเราปิดประตูไว้บ้างมันก็หาทางออกไม่ได้แต่นี่รั้วไม่มีประตูจะมีที่ไหนเปิดให้ออกให้เข้าอยู่ตามความสะดวกสบายอิสระเสียีของทีเล็มีหนามซ้ำเรายังยอมจำนนพอใจที่จะคิดสิ่งที่เป็นความผิดเท่าไรสิ่งที่เป็นความไม่ดีไม่งามไม่ชอบใครยิ่งชอบคิดเรา้องสังเกตดูสิจิตของเราถ้าไดไม่พอใจในผู้ใดแล้ว จะชอบคิดเรื่องผู้นั้นมากโกรธให้ใครเล้วคิดได้ทั้งวันทั้งคืนโดยไม่ได้คำนึงถึงเว ล, มเวลามานาไม่คำนึงถึงความผิดถูกชั่วดีเลยนี่เมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะเห็นมาจิตของเรามันฉลาดที่ไหนชั่วก็ทราบแล้วว่าคนนั้นเขาเป็นคนชั่วไม่เป็นที่ชอบใจเหตุใดจึงสนใจคิดเรื่องเขามาไปเขามาทําความพอใจให้แต่เราจนถึงกับโปรดให้เขาความโกรธให้เขาก็เป็นความผิดแล้วยังต้องไปคิดเสริมความโกรธ เดียวกับบุคคลผู้นั้นให้มากขึ้นไปอีกี่จะสมชื่อว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติฉลาดเพื่อกแก้ทุกข์เพื่อกแก้ความไม่ดีนั้นได้อย่างไร น, นอกจากว่าจะเห็นความไม่ดีนั้นมาเป็นของดีจึงพอใจโปรดพอใจนําเรื่องมาคิดมาอ่านอยู่ตลอดเวลานี่ก็ได้เปิดโอกาสให้ท่านที่จะต้องการไปเที่ยวหาที่เรียกสงัด เวลาว่างไปได้ตามสะดวกสบายสถานที่ใดเป็นที่สงัดเป็นที่บําเพ็ญด้วยความสะดวกสบายปัจจัยเครื่องอาศัยจะขาดตกบกพร่องบ้างย่าถือเป็นหลักสําคัญยิ่งกว่าสถานที่ที่ตนบําเพ็ญว่าเป็นความสะดวกหรือไม่ถ้าเห็นว่าเป็นความสะดวกแล้วโปรดถือสถานที่นั้นเป็นสถานที่สําคัญจิตใจรับความสะดวก จากสถานที่สะดวกจะมีความเจริญภายในใจใจที่เคยยุ่งเหยิงวุ่นวายก็จะเป็นใจที่สงบตามธรรมดาของใจที่สงบแล้วต้องเย็นสบายเห็นเหตุเห็นผลเห็นอดเห็นทำเห็นเรื่องความสุขความทุกข์เห็นโทษเห็นภัถ้าไม่สงบแล้วไม่เห็นแม้จะบ่นว่าเห็นทุกวันยังทาก็คือไม่เห็นนั่นเองโดนแต่ทุกเจอแต่ทุกทั้งวันทั้งคืน เช่นอย่างค้นบนวัตถุอย่างนี้นะ่ยบนทั้งวันก็ไม่มีเวลาที่จะพ้นจากความทุกข์ถ้าไม่แก้ไขต้นเหตุอันเป็นสาเหตุของความทุกข์นั้นให้หมดไปเมื่อไร่หรือมากน้อยเท่าไหร่มีการบำเพ็ญธรรมเพื่อความหลุดพ้นยิ่ยงเป็นสิ่งสําคัญมากไม่ควรจะนอนจับในเอียบททั้งสี่ถ้าเป็นผู้มีสติได้ทุก ทีย่ยาบทแล้วนั่นแหละผู้เช่นนั้นอ่ะจะเจริญรุ่งเรืองภายในจิตใจได้อย่างรวดเร็วจะก้าวเดินเหินไปไหนความรู้สึกกับตัวให้มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่เสมอภายนอกภายนอกเข้ามาสัมผัสทราบภายในเข้ามาเแสดงออก้อทราบอะไรมาเกี่ยวข้องดีชั่วทราบเพราะความตั้งใจอยู่เสมอความที่ตั้งใจอยู่เช่นนี้แลเป็นอุปกรณ์สาคัญ เราจะทำหน้าที่การงานอะไรความรู้สึกความเป็นผู้มีสติเป็นเครื่องสนับสนุนหน้าที่การงานนั้นอยู่ตลอดเวลาไม่าท้างเผลอนี่แหละจะเป็นกำลังเมื่อย้อนเข้ามาสู่ภายในคือการบำเพ็ญใจโดยเฉพาะแล้วจะเป็นผู้มีสติและสามารถจะทำจิตใจของตนให้สงบเยือกเย็นไปได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นการฝึกหัดอบรมเรื่องสติเรื่องปัญญาจึงไม่จําเป็นจะฝึกหัดเพียงเวลานั่งสมาธิยังต้องฝึกหัดเกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานอีกเกี่ยวข้องกับผู้มาเกี่ยวข้องกับเราชิดให้หมดรู้เรื่องให้หมดตามสิ่งที่มาเกี่ยวข้องสติเมื่อได้รับการส่งเสริมก็ยังมีวันเจริญปัญญาเมื่อรับการส่งเสริม คือการตั้งใจคำระวังความคิดความอ่านชอบใคร่ควรเหตุผลเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เสมอนี่แหละเป็นเครื่องเสริมปัญญาให้มีกำลังขึ้นเห็นอะไรก็คิดรู้อะไรก็คิดดีก็คิดชั่วก็ไ ต, ตรกองสติตั้งไม่เสมอสติก็เจริญปัญญาก็รุ่งเรืองเมื่อย้อนเข้ามาสู่ภายในถึงสถานที่อับจน จนกรอกจนมุมถึงกับจะไม่สามารถจะแก้ได้ก็มีทางออกเทราะอำนาจของปัญญาที่เคยคน้นเคยคิดเคยแก้ไขตนเองยอมจะมีทางออกได้ด้วยอํานาจของปัญญาเพราะฉะนั้นการฝึกสติปัญญาเกี่ยวกับงานภายนอกจึงเป็นอุปกรณ์เพื่องานภายในคือด้านจิตใจโดยเฉพาะอีกด้วยไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยทุกสิ่งทุกอย่างถ้าวดรับการอบรมการส่งเสริมอยู่เสมอจะต้องมีกําลัง ถ้าเป็นคนก็เติบโตขึ้นโดยอาหารหากว่าขาดอาหารแล้วไปไม่รอดนั่นเรามองดูเด็กก็รู้ตกคลอดมาที่แรกตัวแดงๆแต่เมื่อรับการบำรุงจากมิดามันดาและพี่เลี้ยงแล้ว<ๆ>ก็ต้องนับมันเติบโตขึ้นมาอย่างเร า, เราท่านมี่ชติปัญญาศรัทธาความเพียรเมื่ออาศัยความสนับสนุนจากเจ้าของอยู่เสมอก็ต้องมีวันเจริญรุ่งเรืองขึ้นเปน็นอันดับ มีกำลังมากขึ้นสติแม้จะเคยล่มลุกคุก ค, คานมาก็าตามแต่ก็จะเป็นสติที่ติดต่อกันไปเรื่อยๆจนกลายเป็นมหาสติมั่นคงเราจะตั้งใจ ร, รักษาไม่รักษาตั้งใจระวังไม่ระวงังสติต้องเป็นอยู่อย่างนั้นเป็นพื้นฐานนี่ท่านเรียกว่ามหาสติโดยไม่ต้องตั้งเอาไว้เพราะสั่งสมมาเป็นลําดับๆจนถึงความเติบโตเหมือนอย่างเด็กแล้วยู่ที่ไหนก็มีสติมีเรื่องของปัญญาก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน ถ้าชอบใครควรเป็นประจำนิสัยแล้วก็ย่อมมีความเจริญบุงเรืองอะไรมาสัมผัสสติกัญญาจะต้องวิ่งตามมันให้เห็นเหตุเห็นผลแล้วปล่อยวางไว้ตามสภาพอะไรมาสัมผัสเพราะตามธรรมนาจิตกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องย่อมแสดงความเกี่ยวข้องกันอยู่เสมอสติกัญญาซึ่งอยู่ในสถานที่แห่งเดียวกันจะนอนตัวไม่ได้เมื่อมีกําลังพอที่จะรับทราบทุกสิ่งทุกอย่างและสามารถที่จะค้นคิดแล้วต้องวิ่ง หมุนตัวเป็นเกลียวเช่นเดียวกับโครงจักรแต่อันนี้จากว่าเป็นธรรมจักรไม่เรียกว่าเป็นวัตจักรหมุนรอบไปเลยการพิจารณาภายในก็เหมือนกันภายในร่างกายของเราเนี่แต่ก่อนพิจารณาไม่ชัดเรื่องอนิจจังก็ได้ยินแต่ชื่อความแปรสภาพให้เห็นกระจักภายในใจไม่ปรากฏทูกครั้งทั้งๆ ท, ที่เป็นอยู่ภายในกายในใจของเรา แต่ก็ไม่ปรากฏปกระจักษ์ภายในใจจนพอจะเห็นโทษได้อานันตาก็เหมือนกันมันบอกไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันก็ถือว่าใช่อยู่ทั้งทั้งทีมหลักหลักธรรมชาติบอกไม่ใช่นั่นแหละแต่พอปัญญาของรู้สติเราได้พยายามสังสมขึ้นเป็นลําดับสําดับแล้วอันนี้จังไม่มีอะไรลี้ลับมีอยู่ทุกแห่งทุกผลทั้งข้างนอกข้างในในร่างกายเรามีอยู่ทั้งเบื้องบนเบนื้องล่า ด้านขวางสถานกลางมีอยู่หมดแสดงความเปลี่ยนแปลงอยู่ภายในตัวตลอดเวลาคาว่าทุกขังก็เช่นเดียวกันอนาตาก็ทราบชัดเพราะสติปัญญาพอตัวเองมองดูอะไรไม่เป็นที่สงสัยยอมจำนวนตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่สอนไว้ว่าสัวขาตธรรมตรัสไ่ชอบอกิกนั่นที่เรตัญหาจะมีอยู่ที่ไหนจะพ้นวิสัยของสติปัญญา แทรกซึมหรือขุดค้นไปไม่ได้จะต้องทลายออกมาเป็นลําดับลำหนักจนสามารถถอดถอนได้จนถึงรากแก้วแห่งมัดมัตจักรได้แก่อวิชาคือใจดวงรู้นี่เองอใจดวงรู้นี่แหละเป็นธรรมชาติที่โกหกพบรมที่สุดในโลกไม่มีสิ่งใดที่จะเสมอเหมือนใจดวงรู้ตรงนี้พระพุทธเจา้าถึงเปงนให้น้ำว่านี่คืออวิชาเมื่อก้าวเข้ามาถึงจุดนี้แล้วผู้พิจารณาจะต้องพิจารณาจุดนี้ให้ จนถึงรอบขอบและถอดถอนออกได้กลายเป็นกิจที่บริสุทธิ์ขึ้นมาทั้งดวงนั่นอวิชาหมดไปเมื่ออวิชาหมดไปแล้วความโกหกก็หมดไปพร้อมๆกัน ไ, ไม่มีอันไดที่เหลืออยู่นี่แหละคาว่าศาสนาจเจริญเจริญอยู่ที่นี่จะนั่งอยู่ก็จเจริญ น, นอนอยู่ก็จเจริญไม่ว่าหลับว่าตื่นจเจริญทั้งนั้นในยาบททั้งสีไม่ปรากฏว่าอายาบทใดศาสานาของตัวจะเสื่อมไปเพราะธรรมชาตินี่เป็นธรรมชาติที่ตายตัวบริสุทิ์อย่างเต็มที่แล้ว นี่คือความสุขอันภัยบุญไม่ต้องไปหาที่ไหนอีกปัจจัยเครื่องอาศัยก็อาศัยไปอย่างนั้นแต่ไม่มีความมุ่งหวังพอจะให้เกิดทุกข์จากตนเองเพราะเรื่องความสูขความพอตัวนั้นมีอยู่ในจิตอันพอตัวนี่แหละจิตที่ไม่พอตัวจึงแสดงความ ร, ราัมีสายยุ่งเหยงิงก่อเรื่องจต่ตัวเองอยู่ตลอดเวลานี่ท่านเรียกว่ากองทุกข์เกิดขึ้นจากจิตไม่พอจิตยังหิวโหวยพยายามบำเพ็ญจิตให้ถึงความพอดีด้วยอํานาจของ สติปัญญาศรัทธาความเพียรทำละซักฟอกให้หมดไปใจจะกลายเป็นความพอดีขึ้นมาถ้าใจพอดีเพียงดวงเทียวเท่านั้นโลกนี้ประหนึ่งว่าเป็นความพอดีไปทั้งนั้นไม่มีอะไรที่จะมาเป็นค่าสึกต่อตอนเองเหตุที่ใจได้เป็นค่าสึกต่อสิ่งทนายก็เนื่องจากว่าใจเป็นสาเหตุแห่งค่าสึกเจเองรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเคยมีมาตั้งแต่เด็กํามัน แต่ตนไม่รู้เท่าก็เหมือนอย่างเด็กไปคว้าเอาไฟแล้วไฟไหม้แล้วตหนิว่าไฟไม่ดีไม่ได้เด็กมันโง่ต่างหากนี้รูปเสียงกลิ่นรถเครื่องสัมผัสเป็นของมีอยู่นั่งเดิมถ้าจิตไม่ฉลาดแล้วก็ไปคว้าอามาเผาตนเองแต่ตำหนิโลกว่าไม่ดีก็ไม่ได้เพราะเราโง่น่ะถ้าเราฉลาดพอแล้วโลกก็ต้องเป็นโลกธรรมต้องเป็นธรรมเราต้องเป็นเราปล่อยไว้ตามสภาพ แห่งความจริงของเขาด้วยอำนาจของสติปัญญาที่พร้อมมุมแล้วแก้ไขตนออกได้กลายเป็นใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมาอย่างเต็มที่นี่แหละเป็นจุดที่ศาสนาที่เจริญอย่างเต็มที่เจริญที่นี่ความเสื่อมของศาสนาไม่ปรากฏเพราะสมมุติได้หมดไปแล้วเหลือแต่ความบริสุทธิ์เต็มที่นั่นแลท่านว่าปรามังสุ ข, ขังเราจะหาปรมังสุขขังสุขยอดเยี่ยมหาจากที่ไหนหาจากอะไร นอกจากจะหาจากภายในตัวของเรานีเท่านั้นซึ่งเวลานี้กําลังถูกสิ่งที่ปลอมแปลงทั้งหลายปกคลุมหุ้มห่อจนอยู่จนธรรมชาติคือจิต ด, ดวงนี้นั้นไม่สามารถจะฉายแสงความศักดิ์สิทธิ์วิเศษทั้งตอนออกมาได้หากเราไม่ได้คลี่คลายหรือชำนะหรือถอนสิ่งที่ปกคลุมนี้ออกหมดเสียด้วยความเพียรทัน จิตตรงนี้จะแสดงตัวขึ้นมาไม่ได้แล้วจะไม่เห็นจิตของตัวเองเป็นของอัศจรรย์ตลอดวันตายแล้วยังจะเห็นสิ่งอื่นว่าเป็นของแปลกประหลาดเป็นของอัศจรรย์ตื่นเต้นไปตามสถานที่การบุคคลตื่นเต้นไปตามสมัยเขาว่าอะไรดีก็ยิ่งเต้นเพ่นกระโดดใจนี้เลยเป็นกายเป็นของไม่มีคุณค่ากายเป็นาขี้ร้เป็นหมดเห็นสิ่งที่ไม่ควรจะเป็นเนนั้นกายเป็นของรีไปเสียนี่เพราะ จิตใจนี้ถูกปกติความเป็นของมีราคาไว้จึงกลายเป็นของเหลวแหลกไปเสียการฟื้นจิตใจของตนให้เห็นเป็นของมีคุณค่าขึ้นมาตามลำับธรรมชาติของใจนั้นฟื้นฟูนโดยวิธีนี้โดยวิธีที่กล่าวมานี้และวิธีที่เราดําเนินมานี้เราจะมาหลงโลกหลงธรรมไม่หลงสุขหลงทุกข์ที่ไหนไม่ตื่นเต้น ถ้าถึงหนักความจริงอันแท้จริงแล้วจะตื่นเต้นไปที่ไหนขอให้ทุกท่านได้นำไปพินิษพิจารณานักบวชต้องเป็นผู้มีความอาจฐานมีความอดทนมีความขยันหมั่นเทียนในหน้าที่การงานทุกด้านที่เห็นว่าชอบทำตามเพศของพระตามเพศของนักบวชไม่เป็นคนเห็นแก่ปากแก่ท้องไม่เห็นแก่หลับแก่นอน เห็นจากความภาคเพียรที่จะเป็นประโยชน์สิ่งใดที่จะเป็นประโยชน์จะยากหรือง่ายไม่สําคัญไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคจะต้องทําสิ่งนั้นให้สําเร็จนี่เวลานี้ก็คือการที่จะข้ามตัวของเรายกตัวของเราให้พ้นจากทุกข์ซึ่งเป็นธรรมชาติที่เรียกว่าข้าศึกอันใหญ่หลวงนี้เป็นประโยชน์สำคัญมากเราอย่าถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยให้พยายามทําความภาคเพียรอย่าไม้มีเวลานิ่งนอนใจ เราจะเห็นแดนพ้นทุกอยู่ภายาจิตใจและความเจริญของศาสนาจะประจักษ์ที่ใจโดยไม่ต้องถามใครนั้นในอาสานแห่งการแสดงธรรมน้เห็นมาสมควรกีเวลาจึงขอยุติเพียงทน